ในติปกรณ์ก็มาขึ้นหาระที่สป่ปัฏฐานนาหาระประัฏฐานหาหรานั้นเป็นการหาเหตุใกล้ของธรรมะนะว่าธรรมะเหล่านั้นเหล่านั้นเนี่ยมีอะไรเป็นเหตุใกล้หรือถ้าคนที่ชำนาญปัฏฐานพอรับอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งก็มนสิการว่าอารมณ์นั้นเนี่ยเกิดจากปัจจัยอะไรอันปัฏฐานก็คือปัจจัยนั่นเอง เพราะเหตุใกล้ก็คือปัจจัยไอ้ความเป็นปัจจัยของธรรมะทั้งที่เป็นรูปประธรรมนามธรรมเนี่ยนะก็มีปัจจัยรูปประธรรมนามธรรมที่เขาให้ความสำคัญมากก็คือรูปประธรรมนามธรรมประเภทวะตะัตตกับนามธรรมประเภทวิวะตะัตนะถ้ารูปประธรรมนั้นทั้งวะตะัตตเป็นวัตตอย่างเดียว ถ้านามมาทํานั้นเป็นวิวัตะเราก็มาดูเหตุใกล้ของวตะกับเหตุใกล้ของวิวัตะเหตุใกล้ของวตะมีอะไรบ้างก็คือตัวตัวมูลของวัตะก็คืออวิชากับภวะตันหาอวิชากับภวะตันหาเนี่ยอวิชาเป็นมีอะไรเป็นเหตุใกล้วิปลาสเป็นเหตุใกล้นะตันหามีอะไรเป็นเหตุใกล้ นนะปียรูปสาตรูปเป็นเหตุใกล้ปันตัว2 อ, อย่างนะธรรมะสองอย่างคืออวิชากับภาวะตันหาถือว่าเป็นมูลของวัตะไอมูลของวตะเนี่ยก็ยังมีปัจจัยคือวิปปลาดกับปียรูปสาตรูปนั่นแหละเป็นปัจจัยของอ่ะเป็นปัจจัยที่สําคัญให้มูลของวัตะเนี่ยเกิดขึ้นถ้าวิปปลาดที่ใดอวิชาก็หยั่งลงนะที่นั้น ปีรูปสารูปที่ใดภาวะตัณหาก็ยั่งลงในที่นั้นอากุศลที่เป็นมูลของวตะคืออวิชากับภวะตัณหาเนี่ยถ้าว่าโดยอาุศลมูลก็คือราคะโทสะและโมหะราคะมีอะไรเป็นประฐานอัินาทานเจตนาเป็นประฐานคือเหตุใกล้ของโลภะอะโลภะนะโทสะมีอะไรเป็นเหตุใกล้ เจตนาในปาณาติบาตเป็นเหตุใกล้ถ้าโมหะมิฉาปฏิบัติการปฏิบัติผิดเป็นเหตุใกล้แห่งโมหะแล้วก็มาดูว่าอากุศลมูลเนี่ยนะราคะโทสะโมหะหรือว่าโลภะโทสะโมหะนั้นก็มีเหตุใกล้นั้นความทุศีลกับการปฏิบัติผิดเป็นเหตุใกล้แห่งราคะโทสะและโมหะทีนี้บาปอากุศลนั้นอ่ะที่มันครอบงําย่ำยีจิต ตัวอวิชชาภวะตัญหาราคะโทสะโมหะเนี่ยถ้าเราจะดูในชีวิตจริงๆก็คือดูในขณะที่มันวิปลาสวิปลาสสำคัญว่างามบ้างสำคัญว่าสศกบ้างสำคัญว่าเที่ยงบ้างสำคัญว่าอัตตาบ้างความสำคัญตัวนี้แปลเป็นบาลีว่าสัญญาเนี่ยนะสัญญาสัญญานี่แปลว่าสาคัญนั้นสาคัญว่างาม สำคัญว่าเที่ยงสำคัญว่าสุขสำคัญว่าอัตตาความสำคัญว่างามเกิดจากอะไร <c oughs> เกิดจากการไม่สำรวมอินทรีย์เป็นเหตุใกล้นี่นะก็ปล่อยตาไปในอารมณ์มันเป็นที่หน้าปราถนาะปล่อยหูไปในอารมณ์เป็นที่หน้าปราถนาะเรียกว่าการไม่สำรวมอินทรีย์การไม่สำรวมอินทรีย์อันนี้แหละเป็นเหตุใกล้ของความสำคัญว่างาม ส่วนความสําคัญว่าสุขนั้นมีอะไรเป็นเหตุใกล้อา ส, สาธะคือตันหานั่นแหละเป็นเหตุใกล้ให้สแสวงหาความสุขกันเหตุใกล้ของความสําคัญว่าเที่ยงก็คือวิญญาณวิญญาณนี่สําคัญว่าคือเป็นเหตุใกล้ให้สําคัญว่าเที่ยงเพราะว่ามันเกิดดับเร็วจนคิดว่ามันมันเที่ยงอ่ะมันก็มันก็เหมือนกับเที่ยงจริงๆนะก็เวียนว่ายตายเกิดและอะไรไปเวียนว่ายตายเกิดอ่ะ ก็ยกให้จิตอีกใช่ไหมเอ้ยจิตมันงั้นมันก็เที่ยงอะสิแต่ทีนี้ถ้าผู้ที่ไม่มณนสิการวัดถุอารมณ์หรือนามรูปมากๆจะไม่เห็นปัจจัยของจิตถ้าไม่เห็นปัจจัยของจิตนิจาวิปรลาชก็ครอบงำอัตตาวิปอัตตาสัญญาคือความสำคัญว่าเป็นอัตตามีอะไรเป็นเหตุใกล้อะ น, นะนามากายนามากายก็คือนามธรรมทั้งหลาย อารูปธรรม ท, ทั้งหลายเป็นเหตุใกล้ให้สำคัญว่าเป็นอัตาตานั่นก็จำง่ายๆก็คือมูลของวัตตสองอวิชากับภวะตันหาอากุศลมูลสามคือราคะโทสะและโมหะวิปปาราตอีก4คือโสภาวิปปาราตโสขาวิปปาราตนิจาวิปปาราตและอัตตวิปปานนราตนะพวกนั้นก็มีเหตุใกล้วิวัตตละ อะไรเป็นเหตุใกล้ของวิวัตะอย่างเช่นวิชาที่มันตรงกันข้ามกับอวิชานี่มีอะไรเป็นเหตุใ <NXT> <liking. S 2> กล้ก็อริยสัจนั่นแหละธรรมะที่ควรรู้ น, นั้นหมายถึงอริยสัจนั้นอริยสัจเป็นเหตุใกล้แห่งวิชา <to> สิ่งที่ตรงกันข้ามกับภวะตันหาก็คืออสุภารมอารมณ์ที่เป็นอสุภเนี่ยนะอารมณ์ที่เป็นอสุภานั้นก็มีสมถะเป็นเป็นเหตุใกล้ ทีนี้ถ้าอะโลพะอะโทสะอะโมหะละอะโลพามีอะไรเป็นเหตุใกล้ก็ศีลนั่นแหละเป็นเหตุใกล้ของอโลภาใช่ไหมศีลประเภทอะทินนาทานเจตนาคือเจตนาที่งดเว้นจากอะทินนาทานเป็นเหตุใกล้แห่งอะโลพาเจตนาที่งดเว้นจากปานาติบาตเป็นเหตุใกล้แห่งอโทสะตั้งอยู่ในสัมมาปฏิบัติ ความปฏิบัติดีความปฏิบัติตรงความปฏิบัติชอบเป็นเหตุใกล้แห่งโมหะทีนี้วิปัสนาความไม่วิปลาดทั้งสี่ประการอาสุภาสัญญาทุกขสัญญาอนิจจสัญญาอนัตตาสัญญาเ น, นี่ยนะอสุภาสัญญานั้นมีอะไรเป็นเหตุใกล้มีนิพพิธาเป็นเหตุใกล้ทุกขสัญญามีเวทนาเป็นเหตุใกล้ทำไมจึงเป็นอย่างนั้น เพราะว่าผู้ที่รอบรู้ในเวทนาเนี่ยจะเห็นสุขเวทนาโดยความเป็นทุกข์เห็นทุกข์เป็นลูกสอนเห็นอุทุกขมสุขโดยความเป็นของไม่เที่ยงหรือเห็นทุกขเวทนาว่าเป็นทุกขทุกสุขเวทนาเป็นวิปริณามทุกขอุทุกขมสุขเวทนาโดยเป็นสังขารทุกขเนี่ะบรรทารรอบรู้ในเวทนาก็เป็นเหตุใกล้แห่งทุกขสัญญา ส่วนอนิจจสัญญามีการพิจารณาความเกิดและความดับเป็นเหตุใกล้นนขันห้าจะเกิดเกิดโดยอาการเท่าไร่สิห้นี่ยนะถ้าขันห้าจะดับก็ดับโดยอาการ25เพรบห้าทั้งการพิจารณาเหตุเกิดความดับมากๆเป็นเหตุใกล้แห่งอ น, นิจจสัญญาหรือมรณานุสติเยอะๆนะทีนี้อนัตตสัญญาแหละความสําคัญหมายว่าเป็นสภาวะธรรม คำว่าสำคัญหมายว่าเป็นสภาวะธรรมนะเราก็มาดูตรงกันข้ามที่สำคัญว่าเป็นอัตตาเนี่ยคิดยังไงว่าเป็นอัตตาคือการ เ, เหตุใกล้ที่ทาให้สำคัญว่าเป็นอัตตาเนี่ยนะก็เนื่องจากว่าการไม่มนิการอานิจจสัญญาไม่มนิการทุกขสัญญาเนี่ยนะเมื่อไม่มีอนิจจสัญญาไม่มีทุกขสัญญาอัตตสัญญาก็เกิดขึ้น ทีนี้ถ้าจะเข้าใจหรือรู้เห็นอนัตตาสัญญาก็คือการมานสิการโดยความเป็นไม่เที่ยงกับความเป็นทุกข์สิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั่นแหละเป็นทุกข์สิ่งใดไม่เที่ยงด้วยเป็นทุกข์ด้วยเป็นเราหรือเป็นอัตตาของเราหรือก็ไม่ใช่ใช่ไหมสาธุขอให้เห็นอย่างนั้นเถอะก็ของเรามันไม่เที่ยงยังเอาราไม่เที่ยงเองนะแล้วก็ไม่ธรรมดานะอัตตาวิปัลา ที่เป็นอย่างนั้นเนี่ยก็เพราะว่าอนุปัสสนาของเรามันอ่อนการตามเห็นโดยความเป็นของไม่เที่ยงอ่อนตามเห็นโดยความเป็นทุกข์ก็อ่อนตามเห็นโดยความเป็นอนัตตาก็อ่อนก็คืออนุปัสสนาหรือสัมมาทิฐิของเราอ่อนปัญญาอ่อนเนี่ยแค่คาว่าปัญญาอ่อนไม่ฟังไม่ค่อยดีนะแต่มันก็ตรงสภาวะดีมันอ่อนต่อแตะต่อแตะไปหมดเลยนะเนีนะ่ย อ่ะก็คล้ายกันนั่นแหละเพียงแต่ว่าเราไม่ติ้งต้องขนาด น, นั้นก็เลยนึกว่าดีจริงก็สัตว์ทั้งหลายเนี่ยนะปกติแล้วเนี่ยเป็นโลกที่บอดจริงๆนะเป็นโลกที่มืดโลกที่ไม่มีจักสุอย่างทุกขสัตว์นะมันก็ปรากฏอยู่ ท, ท่อนโถ่ะแต่ว่ามไม่เห็นมันน่าจะเห็นใช่ไหมเขาบอกว่าทุกขสัตว์เนี่ยมันลึกซึ้งเพราะมันไม่เห็นอะไม่ยอมไม่ยอมรับอะ่ะปกติสัตว์ทั้งหลายไม่ค่อยยอมรับในความเป็นทุกขสัตว์นะ ตอนส่องกระจกแต่งตัวมาเนี่ยเนี่ยใส่ใจในทุกข์สัตย์หรือเปล่าศาสตรใครจ่ายก็อนุมโมทนาด้วยนะนั่นแหละไม่ค่อยยอมรับว่ามันเป็นทุกข์สัตย์กันง่ายๆนะทุกขสัตย์ก็ข้างนอกเหรอไม่ใช่ค่อยมีข้างในสักเท่าไหร่แต่ว่าวัตถุเป็นที่ตั้งแห่งการละตัณหานั้นควรเป็นวัตถุภายในนั้นถ้าแต่งตัวผัดหน้าวีผมแล้วก็เจริญทุกข์ทุกข์สัตว์ได้นะเห็นทุกข์สัตย์ก็อนุมโมทนาด้วย ว่าอินซีนี่แก่กล้าพอสมควรแล้วล่ะแต่เขาเออยังเหมือนเดิมนะอย่างนี้นะยังก็อันนี้ก็ห่างทุกขศัพท์เหลือเกินเ น, นี่ยนะเนี่ยทุกขศัพท์มันหยาบเห็นท่โนท้อ น, ทนะก็ไม่ค่อยอยากเห็นที่จริงเขาเรียกคุณลุงคุณป้าคุณน้าคุณอาคุณพี่ทั้งหลายก็สังเวชได้เลยโอ้โหเรานี่ใกล้แล้วนะนนเราต้องดูนะเขาเรียกพี่นี่ต้องคนที่เรียกอายุปานไหนนะนะเราก็ดูแลโอ้โหแสดงว่าเราก็ต้องมากกว่าคนนั้นใช่ไหมนั่นนะกนะ็ จริงก็ทุกข์ขั์นั่นแหละแต่ว่าอันนี้คือศัตว์ทั้งหลายเห็นยากเพราะไม่ค่อยยอมรับนะนะถ้าคนที่ยอมรับว่ามันทุกข์ขั์จริงๆนะทุกข์ขั์จริงๆสายใจแบบนี้บ่อยๆมากๆเนืองๆนะเขาจะเรียกว่าไม่เจริญวิปัสสนาก็ไม่เป็นไหแต่จริงๆนั่นแหละคือการเจริญปัญญาใช่ไหมคือการตามเห็นในสภาพที่ไม่เที่ยงเป็นทุกข์มันไม่เที่ยงจริงๆนะนะมันก็เป็นทุกข์จริงๆ แล้วก็ไม่มีใครมีอำนาจที่แท้จริงขอได้ไหมว่าอายุของเราให้มันเหลือให้มันลดลงตัวเลขมันลดไอ้ใช่ที่เหลือเนี่ยมันลดไอ้ใช่ะนะไอ้ที่ผ่านมาก็เพิ่มไม่มีใครมีอำนาจที่แท้จริงนะที่เกิดมาแล้วก็ขออย่าแก่ที่แก่แล้วก็ขออย่าตายไอ้ที่ตายแล้วก็อย่าเกิดอีกนะมีใครมีอำนาจขอได้จริงจริงหรอกเพราะสิ่งเหล่านี้เป็นไปตามปัจจัยคือกรรมและ ผลของกรรมเนี่ยนะนะกรรมก็มาจากปัจจัยคือกิเลสมันถ้าจะดับต้นเหตุจริงๆก็ดับฉันทราคะในสิ่งเหล่านั้นัน้นการสําคัญหมายว่าเป็นสภาวะธรรมที่ไม่เที่ยงเป็นสภาวะที่เป็นทุกข์ควรหรือที่จะสําคัญว่าเป็นตนและเป็นของตนนะน ะ, ะพุทธพจน์เนี่ยมีหลายแห่งด้วยกันนะนะสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นสุขหรือเป็นทุกข์เป็นทุกข์สิ่งใดไม่เที่ย ง, ง, ง, ด, ยงด้วยเป็นทุกข์ โดยควรหรือที่จะตามเห็นว่านั่นเรานั่นของเรานั่นอัตตาของเราควรไหมั้ยนะไม่ควรนะใช่โดยสูตรนี้ไม่ควรนะโดยสูตรนะโดยคำสอนเนี่ยไม่ควรแต่พอเราลืมพระพุทธเจ้าบอกแล้วก็ไม่เห็นมีอะไรนี่มันก็ก็เรื่องของเราใช่ไหมอันนี้แหละเรียกว่าเราห่างพระรัตนตรัยคือถ้าเป็นคนที่จเจริญกุศลธรรมได้สูงสุดเนี่ยนะ เขาบอกว่าเขาเห็นพระรัตนตรัยทุกลมหายใจเข้าออกจิตของเขาเนี่ยไม่ห่างจากพระรัตนตรัยเลยเพราะเขามานาสิการคำสอนได้ตลอดเวลา น, น, นที่เขาไม่ห่างพระรัตนตรัยเพราะเขามานาสิการคำสอนได้มากคนที่ห่างพระรัตนตรัยคือมองไม่เห็นคำสอนในทุกหนทุกแห่งอันนั้นแหละเรียกว่าเป็นคนห่างพระรัตนตรยัยนั้นอย่างที่เขาบอกว่าเราทั้งหลายเป็นนักปริยัติกันใช่ไ ถ้าใครเขาบอกเราว่าโหเนี่ยหมกมุ่นในปริยัติครุ่นคิดในปริยัตินะให้เราดีใจได้เลยว่าโอ้เราเนี่ยไม่เป็นคนป่าคนเถื่อนอีกต่อไปแล้วเรามาเป็นเชื่อสายพระอริยะแล้วเพราะพระอริยะทั้งหลายท่านแทงตลอดอริยสัจใช่ไหมคำสอนว่าด้วยอริยสัจพระองค์ก็เอามาชี้แจงเพราะฉะนั้นเรามาคิดมาใคร่ครวญมาพิจารณาอริยสัจ ต, ตามที่พระพุทธเจ้าสอนก็เราเป็นคนมีสารณะแล้วเราไม่ใช่คนกําพาแล้วก็ดีใจได้เลย น, นะถ้าใครบอกว่าเออนับถือพระพุทธเจ้ามากไปมั้งเนี่ยนะเชื่อแต่คำพระพุทธเจ้าเลยอะ่ะถามว่าคำประเภทแบบนี้เนี่ยนะเราควรคิดยังไงดีใจเราเราเนี่ยควรจะเสียใจใช่ไหมที่เราเชื่อพระพุทธเจ้าเกินไปทุกคำเราคิดถึงแต่คำของพระพุทธเจ้าอันที่จริงนะเราน่าจะดีใจนะแหมอยากให้เป็นอย่างนั้นจริงๆเลยอยากให้อยู่กับคำสอนได้วันละยี่สสี่ชั่วโมงด้วยซ้าไป ถ้าคิดกับคำสอนในวันละยีิบสี่ชั่วโมงเนี่ยยังไงก็พ้นทุกข์แน่เพราะพระธรรมที่พระพุทธเจ้าแสดงเนี่ยเป็นธรรมที่เป็นไปเพื่อความพ้นทุกข์ปัญหาก็คือไม่ค่อยคิดตามคําสอนนี่แหละไปคิดตามพญม า, า, ารพระหัสน์ท่านบอกว่าท่านเนี่ยเลิกบําเรอผู้อื่นแล้วท่านเป็นผู้บําเรอพระพุทธเจ้าท่านเลิกบําเรอมารแล้วมารคืออะไรคือขันห้าขณะที่ใดที่เราปรนเปรยขันห้า ด้วยอำนาจเนี่ยโสภาสัญญาสุขาสัญญาอนิจจสัญญาอัตตสัญญาขณะนั้นเรียกว่าปรนเปรอพยมานนะแต่ผ้าอาหารทั้งหลายท่านปรนเปรยพระพุทธเจ้าท่านบําเรอพระพุทธเจ้าเพราะท่านเห็นตามพระพุทธเจ้าว่าอนิจจทุกขังอนัตตาถ้าท่านเห็นโดยความเป็นของไม่เที่ยงอันนั้นเรียกว่าอนิจจานุปัสสนาของท่านอนิจจานุปัสสนาเป็นปัจจัยแก่ นิพพานุปัสนานิพพานุปัสนานั้นเป็นปัจจัยแก่อานิมิตตวิโมกอ่นะบรรลุอนิมิตตานิพพานถ้าท่านตามเห็นด้วยความเป็นทุกข์ก็จะเกิดนิพพานิพพานั้นก็จะเป็นปัจจัยแก่อัปปนิหิตาวิโมกอัปปนิหิตวิโมกก็มีอัปปนิหิตานิพพานเป็นอารมณ์ขณะที่ท่านมนสิการธรรมทั้งหลายว่าเป็นอนัตตาก็เป็นปัจจัยแก่นิพพานิพพาก็เป็นปัจจัยแกสุญญาตาวิโมก อ๋อ น, นะสญญาตาวิโมกก็มีพระนิพพานเป็นอารมณ์เพราะฉะนั้นผู้ที่บำเรอพระพุทธเจ้าทั้งหลายเขาพิจารณาขันไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาแล้วเข้าพระสมาบัติเป็นต้นได้แต่ถ้าไม่เป็นไปตามนั้นก็บำเบรย์มัอเลยกิเลสมานกินแล้วแต่กิเลสมานมันจะเสียมสอนเกิดที่ไหนดีน้อนะจริงถ้าเราศึกษาพระธรรมดีๆหน่อยนะเรามาคิดดูนะว่า การมณสิการอารมณ์แต่ละครั้งแต่ละครั้งเนี่ยมันบอกครบที่เกิดเราเรียบร้อยแล้วนะเราเห็นอารมณ์อะไรเข้าฌานไม่ได้พรมโลกตัดสิทธิ์เนี่ยนะก็เหลือเนี่ยสุขคติกับทุกคติที่เป็นกามแล้วมณสิการด้วยกุศลหรืออกุศลล่ะเพราะฉะนั้นบอกได้เลยว่าพบหน้าเนี่ยควรจะเป็นอบายสี่หรือกามมัสุขติเจ็เนี่ยนะก็มีรูปมีเสียงปิ่นรถเป็นต้นเป็นอารมณ์เนี่ยนะก็คํานวณได้เลยว่าควรจะเกิดที่ไหน ถ, ถ้าศึกษาปริยัติมาดีจะไม่มีปัญหาทีนี้การศึกษาปริยัติมาดีเนี่ยจะช่วยบอกเลยว่าอะไรควรคิดอะไรไม่ควรคิดยังไงนะเราไปให้มันพ้นสีเนี่ยใครทำได้บ้างใครที่ไปให้พ้นสีเนี่ยใครทำได้อะทำได้ไหมคนที่ไปพ้นสีจริงๆอะ่ะต้องเป็นอรูปป ร, รมจึงจะพ้นสีจริงๆเพราะฉะนั้นยังไงเราก็ไปไม่พ้นสี ไม่พ้นเสียงไม่พ้นกลิ่นไม่พ้นรูปเนี่ยไม่พ้นมหาพูดเนี่ยไม่พ้นรูปทั้งภูตรูปและอุปาทายรูปเมื่อไปไม่พ้นแล้วเราควรคิดยังไงกับรูปเหล่านี้เพราะรูปเหล่านี้เป็นอารมณ์ของจุติและปฏิสนธิคิดยังไงจึงจะเลิกจุติและปฏิสนธิในในอารมณ์ทั้งหลายเนี่ยนะท่านถ้าเราไม่ศึกษาคำสอนจนเพียงพอนี่ก็จะถูกขันเนี่ยมันหลอกนะถูกมหาพูดเนี่ยมันหลอก ถูกจิตนี่หรอกพาไปเกิดเรื่อยอ น, นเดี๋ยวเหอะมันจะพานอนไม่หลับด้วยนะพานอนไม่หลับนี่แก้อย่างไงแ่นะถ้านอนไม่หลับก็ฟังธรรมหรือเจริญกรรมฐานก็ดีไปอ่ะนะไม่ใช่นะนั่งคิดประวัติเก่าๆ น, นก็ถ้าจุติตอนนั้นนะดูนะควรจะเป็นที่ไหนดี นะก็เที่ยวของมาเที่ยวถามคนเยอะแล้วนะว่าถ้าเนี่ยประวัติตัวเองเก่าๆมาเนี่ยบุญบามากกว่าหรือบาปมากกว่าก็โดยมากเขาบอกว่าบาปมากกว่าเพราะันถ้าเขาชอบคิดเรื่องเก่าๆเขาควรเกิดที่ไหนดีนั่นแหละมันก็ไปไม่ค่อยดีซะส่วนใหญ่นะพแผ่นดินแผ่นดินนะ่ยนะฝุ่นฝุ่นในเล็บกับแผ่นดินเนี่ยไหนมากกว่ากันมันเราก็คํานวณได้พราะคนที่ศึกษาพระธรรมคำสอนเนี่ย ที่เป็นไปเพื่อวิวาัตะาที่แท้จริงเนี่ยเขากลัวการเกิดยิ่งกว่าอะไรอีกเนี่ยนะพราะเขาถือว่าพิษภัยทุกภัยทั้งหมดนี้มันมาจากการการเกิดแล้วอะไรเป็นเหตุตัดใ จ, จแห่งการเกิดเพราะฉะนั้นรีบชักสะพานคือเรียกว่าปัจจัยแห่งความเกิดซะแต่ตอนนี้ทำไม่ได้ก็ขอให้มันรู้ทางก่อนเราทั้งหลายตอนนี้นะยังปฏิบัติตามที่พระพุทธเจ้าสอนไม่ได้ขอให้รู้แนวทางที่พระพุทธเจ้าสอนเอาไว้ก่อน แล้วก็หวังใจว่าสักวันหนึ่งเราจะต้องปฏิบัติตามนั้นให้ได้แต่ถ้าเราไม่มีอัธยาศัยแบบนี้เลยพระ อ, องค์เรียกว่ามิจฉาปฏิปทาเป็นมิจฉาปฏิปทาเป็นข้อปฏิบัติที่ผิดถึงเจริญได้อารุปฌานนะถ้าไม่มีอัธยาศัยเพื่อน้อมออกเนี่ยเป็นมิจฉาปฏิปทาอาวิชชาเป็นปัจจัยจึงมีสังขารสังขารเป็นปัจจัยจึงมีวิญญาณเป็นต้น อวิชชาเป็นปัจจัยแก่ทั้งอาเนชาอาเนชาพิสังขารหรืออาเนชาพิสังขารอาเนญชาพิสังขารการเกิดในอรูปประพบก็ยังเป็นมิจฉาปฏิปทาในสังยุตตนิกายนิทานวัฏปฏิปทาสูตรกล่าวถึงว่ามิจฉาปฏิปทานนั้นคืออวิชชาเป็นปัจจัยแก่สังขารสังขารเป็นปัจจัยแก่วิญญาณส่วนสัมมาปฏิปทานนั้นก็คือเพราะสัมรอดอวิชชาโดยไม่มีส่วนเหลือ ทำยังไงจึงจะสํำรอกอวิชชาได้ก็คือการให้ทานแล้วตั้งความปรารถนาเพื่อสํารอกอวิชชารักษาศีลเจริญกุศลธรรมอย่างใดอย่างหนึ่งก็ตั้งความปรารถนาเพื่อสํารอกอวิชชาอันนี้เป็นสัมมาปฏิปทาเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่ตั้งความปรารถนาเอาไว้เนี่ยท่านบอกว่าปฏิบัติผิดเพราะฉะนั้นเจริญกุศลใดอกอุศลหนึ่งก็ตั้งอุปนิสัยเพื่อสํำรอกอวิชชาที่จะสํารอกอวิชชาได้ก็เพราะ เห็นอะไรรู้ทำทั้งปวงที่ควรรู้คืออริยสัจถ้าแทงตลอดอริยสัจก็สำรอกออกจากทุกข์ได้แต่ถ้าไม่ตั้งความปรารถนาไม่ตั้งอัธยาศัยไม่อะไรเลยนะเป็นตาไม่ได้ถึ้งกระดูกจะกองโตเป็นภูเขาเราก็ไม่ได้พ้นวัตะอะไรทิ้งกระดูกกองนี้ก็ถือเอากระดูกกองใหม่อีกนะก็อยู่อย่างเงี้ยเรื่อยไปเพราะเราไม่เคยมีใจที่จะสลัดทิ้งนะ ถามว่าเราเราตั้งความปรารถนาเพื่อสลัด ก, กับไม่ตั้งความปรารถนาเพื่อสลัดเนี่ยนะโดยขันเนี่ยมีความต่างกันไหมอนาพานกับบัณฑิตเนี่านก็เกิดแก่เจ็บตายใช่ไหมบัณฑิตก็เกิดแก่เจ็บตายพานกับบัณฑิตเหล่านี้ต่างกันตรงไหนพระนรท่านเกิดมาท่านแก่ไห ม, ท, ไหมท่านป่วยไหมท่านตายไหมแล้วเราทั้งหลายเกิดมาแก่ไหมป่วยไหมตายไหมต่างกันตรงไหนต่างกันที่ว่าพระ น, นเนี่ยท่านประพฤติพรหมมจรรัญ ท่านมีมรรคพรหมจรรย์ท่านตายแล้วท่านเลิกถือเอาขันอันใหม่นะซึ่งต่างจากปุตุชนทั่วไปไม่มีพรหมจรรย์ไม่มีอริยมรรคเมื่อไม่มีพรหมจรรย์ไม er ่มีอริยมรรคทิ้งขันอันนี้ก claro> ็ถือเอาขันอันใหม่เนี่ยนก็อย่างนี้แหละปุตตชนทั้งหลายเป็นเช่นนี้แหละเนี่ยคนทานเป็นเช่นนี้จริงๆนี่เราไม่รู้อุบายเป็นเครื่องออกจากขันเลยไม่รู้อุบายที่จะออกจาก ทุกถ้าไม่รู้อุบายที่จะออกจากทุกความพ้นทุกก็มีไม่ได้เนี่ยเนี่ยการศึกษาพระธรรมทั้งหมดก็เป็นอุบายเพื่อที่จะออกจากทุกจากเนี่ยประท่ฐานะหาระนนะซึ่งกล่าวถึงปัจจัยของวัตตะและวิวัตะเหตุใกล้ของวัตตะกับวิวัตะเราก็มาดูว่าเหตุใกล้อันไหนมีมากออกว่ากันเนะีนะ่ยเวิวัตะหรือ วั ต, ตะมากกว่ากันถ้าวั ต, ตะมากก็สมาทานที่จะเห็นโทษว่าขอเห็นโทษปัจจัยแห่งวั ต, ตะทั้งหลายานะถ้ามีอัธยาศัยวิวัตะก็ปราโมทได้เลยดีใจได้เลยว่าเราทั้งหลายใกล้พ้นทุกข์แล้วถ้ามีอัธยาศัยเจริญตามวิวัตะนะถ้าปฏิบัติอยู่ในวิวัตะก็แสดงว่าใกล้พ้นทุกข์แล้วนะใกล้ต่อการตรัสรู้แล้วดีใจได้เลย แต่ถ้าอัธยาสัยวัตถามากๆท่านบอกว่าให้สังเวทใจสลดสังเวชนะในคำพีท่านชอบยกตัวอย่างว่าลูกสะพ้ยเห็นพ่อผัวแล้วสังเวทใจนะสมัยใหม่นึกไม่ออกลุงเป็นยังไงต้องให้คุณป้าทั้งหลายรุกโบราณโบราณเล่าให้ฟังนะนะลูกสะพ้ยเห็นพ่อผัวแล้วเป็นยังไงก็ว่าสังเวทใจามากเลยของนีน้ของมานี้ยังเข้าใจไม่หมดเลยนะในยะตรงนี้นึกไม่ค่อยออกนีนะ ใครเป็นตัวแทนออกมาเล่าให้ฟังหน่อยไหมสภัยเห็นพ่อผัวนะแล้ว ส, สลดใจสังเวทใจฉันได้เนี่ยนะนะนะคือท่านไหนนั้นอ่ะนะพูดถึงว่าสภัยใหม่เนี่ยที่เห็นพ่อสามีโดยมากก็จะต้องเป็นสภัยแบบโบราณหน่อยนะก็ก็จะคือคือตั้งอยู่ด้วยความเคารพตั้งอยู่ด้วยความยำเกรงเต็มที่อะไรในะลักษณะนั้นนะ่ะนะ คือเขาเรีว่าค่อนข้างสลดใจเลยแหละเนี่ยเ่ข้ออุปมานี้อยู่ในมหาหัตถปโทปมาสูตรนะมัชฌิมนิกายมูลปัญ น, นาตมีอยู่นะที่ว่าลูกสะภ้ยเห็นพ่อผัวแล้วก็ถึงความสลดใจฉันใดภิกษุก็ฉะนั้นเมื่อละลึกถึงพระพุทธเจ้าจิตก็ยังไม่เลื่อมใสเป็นต้นก็เพึงสลดใจฉันนั้นเนี่ยนะก็เอาไปคิดต่อไปนะว่าสลดยังไง คือปกติเนี่ยนะถ้าถ้ากล่าวนะถ้าลูกสะภ้ยเนี่ยนะที่ที่เกี่ยวข้องกับพ่อผัวเนี่ยควรจะตั้งหีริโอตาปะควรจะตั้งความยำเกรงเคารพอย่างแรงกล้าใช่ไหมควรจะเป็นอย่างนั้นที่นี่ลูกสะภ้ยที่ที่เห็นพ่อผัวเป็นต้นเนี่ยนะหมายถึงพ่อผัวที่ดีมีคุณธรรมนะเห็นแล้วก็ยังกลางเต็มที่เลยก็น่าสลดใจมากเลยนะ ฉันใดที่สูถ้ารละลึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าและจิตยังไม่ผ่องใสเลยก็ควรที่จะสลดใจฉันนั้นนั่นแหละทีนี้มาดูต่อไปนะว่ามาดูปัฏฐานะหรือเหตุใกล้ของวาตะอีกครั้งหนึ่งว่ากามคุณห้าเป็นเหตุใกล้ของการมราคะอินสี่ห้าคือตาหูจมูกลิ้นกายเป็นเหตุใกล้ของรูปป ร, ราคะ ใจเนี่ยนะใจที่เป็นรูปประชานอรูปปัจจานเป็นเหตุใกล้ของภาวะราคะความยินดีในพบที่เกิดเป็นเหตุใกล้ของขันหานนะปุเพนิวาสานุสติคือการละลึกชาติได้เป็นเหตุใกล้ของญาณทัศนะคือกรรมมสกตาญาณ คำว่าปุเพนิวาสานุสติยาเนี่ยนะเป็นเหตุใกล้ของกรรมสกตารญาณนี้หมายถึงโยนิโสมนัิการอย่างเช่นพระพุทธเจ้าเนี่ยนะพระองค์ละลึกชาติได้ใช่ไหมองค์ก็ละลิกชาติได้หนึ่งชาติสองชาติสามชาติสี่ชาติห้าชาติสิบชาติยี่สิบสามสิบี่สิบห้าสิบชาติร้อยชาติพันชาติแสนชาติตลอดสังวัตกับวิวัตกับเป็นอันมากวันในชาติโน้นมีชื่ออย่างนั้นมีโคดอย่างนั้น มีผิวพันธุ์อย่างนั้นมีอาหารอย่างนั้นเสรษฐสุขทุกอย่างนั้นอย่างนั้นตายจากภพนั้นแล้วก็ปฏิสนธิในภพโน้นแม้ในภพโน้นก็มีชื่ออย่างนั้นมีโคตรอย่างนั้นมีผิวพันธุ์อย่างนั้นมีอาหารอย่างนั้นเสรษฐสุขทุกขอย่างนั้นอย่างนั้นจุติจากภพนั้นก็ไปเกิดภพโน้นต่อไปอีกยังไงเหมือนอย่างว่าเรามาที่นี่นะนึกถอยหลังได้ไหมมาจากที่ไหนบ้างก่อนที่จะมานั่งฟังธรรมตรงนี้วันนี้นะมาจากที่ไหน ก็เนี่ยมาจากบ้านมาจากบ้านเป็นต้นนะก็มาจากรถรถมาจากตรงไหนก็นึกๆออกได้นะกว่าจะมานั่งอยู่ตรงนี้ระลึกอย่างนี้ได้ฉันใดผู้ที่ระลึกชาติได้ก็ฉันนั้นร ะ, ะลึกชาติได้เรียกว่าตลอดสังวัตกะวิวัตกะเป็นอันมากผู้ที่ระลึกได้อย่างนี้เนี่ยนะถ้าพื้นฐานดีมีความรู้เรื่องกรรมและผลของกรรมดีก็จะเห็นจะเห็น หรือกรร ม, มสกตาเนี่ยจะดีขึ้นยิ่งขึ้นว่าโอ้โหว่าช่วงนี้ปฏิสนธิที่นั้นเพราะกรรมตัวนั้นนำเกิดอย่างนั้นอย่างนั้นนะเสวยความสุขความทุกข์อย่างนั้นเพราะกรรมนั้นนั้นเป็นตัดใจเนี่ยถ้าพื้นฐานกรร ม, มสกตาดีและลึกชาติได้จักรู้อย่างเช่นพระ อ, อนนเนี่ยนะในอดีตชาติชาติที่เป็นผู้หญิงมีเชื่อว่าพระนางรุจารเนี่ยนะลูกเจ้าเอ่อลูกของพระเจ้าอนนะพระเจ้าอนะไรน พระเจ้าอังคติราชเนี่ยนะพระเจ้าอังคติราชท่า น, นนเนี่ยเป็นผู้หญิงชื่อว่าพระนางรุจาระลึกชาติได้14ชาติเนี่ยนะระลึกชาติที่เป็นอดีตและก็เป็นอนาคตรวมเบ็ดเสร็จแล้ว14ชาติอดีตชาติเลยก็เกิดเป็นลูกของมหาเศรษฐีที่เป็นช่างทองเนี่ยนะเจ้าของร้านทองผู้ยิ่งใหญ่อ่ะรวยมากรวยมากก็รูปงามก็ประโยชนคาวิบัติทําตัวเหมือนไม่ตายเนี่ยนะ ก็ทำบาปบานเบอะเลยเนี่ยก็บาปสําหรับคนรูปลอก็ทําอะไรรูปลอรวยรยด้วยเจ้าชู้ด้วยเนี่ยนะก็ไปทําอะไรก็ทําประเภทนี้แหละตายจากชาตินั้นเนี่ยนะเกิดเป็นลูกเศรษฐีเลยนะลูกเศรษฐีใจบุญมากเลยคับนี้ให้ทานรักษาศีลอยู่ตลอดชีวิตตกนรกเฉยใช่ไหมเหมือนกับเมื่อวานเนี่ยไปเที่ยวตีหัวคนเต็มไปหมดเลยใช่ไหม วันนี้มานั่งฟังทำแป้พวงนี้เข้าคุกแล้วอย่างเงี้ยนะอุปมานะง่ายๆจะเป็นลักษณะนั้นนะเพราะฉะนั้นพอพ้นมาจากนรกนะก็มาเกิดนายเป็นเดรฉานวนๆอยู่หลายชาติถูกตอนมาหลายครั้งเนี่ยในที่สุดก็มาเกิดเป็นผู้หญิงเนี่ยนะเกิดเป็นผู้หญิงตอนหลังก็มาเป็นเนี่ยพนางรู้จาเนี่ยระลึกชาติได้อ่า น, นะระลึกชาติได้ว่าตอนที่ไปเกิดอ่นนะตกนรกเพราะนน่ น, นแหละสมัยที่เป็นลูกนายช่างทอง ตอนที่ขึ้นสวรรค์เนี่ยนะไปเป็นเทพพธิดาเนี่ยแล้วมาเป็นลูกกษัต ร, ริย์ตอนนี้เพราะกรรมที่อะ ไ, ไรสมาให้ทานสมาทานศีลตอนที่เป็นภาวะเศรษฐีเนี่ยนะเพราะฉะนั้นอีกไม่นานเนี่ยก็จะพ้นจากความเป็นหญิงก็จะเกิดเป็นชายก็ระลึกชาติได้เั้นคนที่ระลึกชาติได้มากๆอย่างนี้โดยที่มีโยนิโสมนสิการะนะมีกรรมสกตาดีรู้บุญรู้บาปก็จะแยกแยะอย่างนี้ได้ แต่บางพวกเนี่ยนะแยกแยะไม่ได้เลยละลึกชาติได้แยกแยะไม่ได้แต่ยิ่งละลึกชาติได้สั้นๆด้วยนะเช่นชาตินี้เกิดเป็นมหาเศรษฐีละลึกชาติว่าชาติที่แล้วเนี่ยเป็นเพชรขาตเนี่กรรมไม่มีผลนี่นะบางคนเนี่เกิดมาชาตินี้เป็นยาจกวันิพกยากจนมากละลึกชาติได้ว่าชาติที่แล้วเป็นเศรษฐีใจบุญทําไมชาตินี้มาเกิดเป็นขี้ข่าเขาพวกนี้จะต่อด้วยความเห็นผิด พวกที่ระลึกชาติได้ไม่ตลอดสายนะพวกนี้จะมีความเห็นผิดเหมือนอย่างว่าคนที่บอกว่า เ, เมื่อวานก็ขยันทํามาหากินแต่ทําไมวันนี้จึงอดอยากเมื่อวานก็ทํางานทั้งวันเนี่ยนะมันน่าจะมีกินใช่ไหมแต่ทําไมวันนี้อดอยากเนี่ยนะถ้าระลึกอยู่แค่วันวันสองวันเนี่ยมันจะมองอะไรชีวิตไม่ค่อยออกจะต้องมองชีวิตเป็นยาวๆแล้วก็มองเห็นเหตุเห็นผลที่ชัดเจน